การติดต่อบายอัลกุรอานละ حديث ได้กลับวมาสู่วัรกเดิมหรือเวลาเดิมก็คือช่วงวันอังคารหลังละมาติชาตั้งแต่วันวันนี้วันที่14บสีกรกฎาคมเป็นต้นไปจะถูกบันทึกเทปแล้วก็นําไปเปิด วันอาทิตย์ช่วงมัจลิซัลมีหรือช่วงจะเป็นรายการของอธิบายคุรานนี่แหละเวลาเดิมก็คือสิบโมงชเช้าอราขออุทิต่อรอสุสมานุวาตาให้ประธานความบรกัตกับเวลาของพวกเราทุกคนสุขภาพของพวกเราทุกคน แล้วขอให้เจตนาของเราในการเรียนรู้จะเข้าใจอัลกุรอานและ h i s ของท่านนบีสลนลอัลลอฮอะลัยฮุสซลลัมได้ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกมิติและก็ทุกวาระขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราทุกคนที่เสียสละเวลามาเรียนรู้อัลกุรอาน h a d s ของท่านนบีสุลละอัลลอฮอะลัยฮุสซลลัม ได้เป็นบุคคลที่ถูกใจหรือนอัลลอฮ์สุบฮานะฮตาแล้วว่าเป็นผู้ศรัทธาที่มีความจริงใจกับคาสั่งสอนของพระองค์เพราะความจริงใจกับทุกอย่างเนี่ยประเด็นสำคัญต้องเข้าใจมันแต่ถ้าเราจะ ถ้าเราอยากจะทําอะไรแบบจริงใจอนะ่ะนั่นก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นจริงใจกับลออจริงใจกับรอซูลจริงใจกับกุลแานวาระสําคัญก็ต้องเข้าใจอันอุลแอนซึ่งวาระของความเข้าใจเข้าใจศาสนาเนี่ยเดยนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเป็นวาระสําคัญมากเลยละ่ะ ปัญหาเยอะที่มันเกิดขึ้นในประชาชาติอิสลามฟิตหน้าที่เกิดขึ้นความมุ่นวาที่เกิดขึ้นส่วนมากก็เกิดขึ้นสาเหตุแรกนี้จะความไม่เข้าใจประชาชาติอิสลามจำนวนนับพันล้านเนี่ยส่วนมากที่ห่างไกลจากศาสนานี่ก็ส่วนมากก็เพราะไม่เข้าใจ เพราะมันจินตนาการไม่ได้นะครับว่าคนรับรู้หลักการของศาสนาจะเข้าใจแล้วและตั้งใจฝ่าฝืนถ้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการจงใจตรงใจในการฝ่าฝืนซึ่งบาปมันมหันต์มากแต่คิดว่าส่วนมากคนที่ ไม่เค่อยอยู่ในข้างของหลักการเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็พ่อไม่เข้าใจจริงนะก็ถ้าเราไปตรวจสอบไปสอบถามพี่น้องไม่ต้องไปตรวจสอบใครเอาตัวเราเองตอนที่ทำความผิดอะไรบางอย่างบางอย่างแน่นอนที่เราทําเนี่ยก็ยังรู้ว่ามันบาปแล้วก็ยังทำอยู่แต่นันน่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ในอดีตของเราเกือบทุกคน ทำอะไรที่ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องกันนะส่วนมากทำพราะไม่เข้าใจหรือในสิ่งที่เราบุกพร่องก็คือไม่ปฏิบัติ ท, ทั้งทั้งที่มีคำใช้ให้ปฏิบัตินะ่ะที่ไม่ปฏิบัตินี่ไม่ใชื่อตั้งใจไม่ปฏิบัติส่วนมากกับพาะไม่เข้าใจรวมถึงเรื่องหลักการใ ห, ใหญ่ในอิสลามเรื่องอัคดะ เรื่องหลักปฏิบัติใหญ่ๆอย่างเรื่องละหมาดอย่างเงี้ยและการใหญ่กว่านั้นน่ะเรื่องการทำลายทาลายชีวิตอย่างเงี้ยคนที่สูบบุหรี่คนที่กินเหล้าจานวนไม่น้อยนะครับที่ไม่เข้าใจในส่วนที่เราเรียกว่าไม่เข้าใจนะก็คือก็คือถูกหลอกลวงด้วยนะไมายถึงว่ามีกระแสมีคนที่บิดเบือนแล้วก็ทาให้เขา เข้าใจว่าไอที่เขาฟาฟ้าฝ่าฝืนเนี่ยฝ่ฟาฝืนหลักการเนี่ยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี่นะเขาถูกต้องแล้วดีแล้วเนี่ยสง่างามแล้วมีคนสอนเขาอย่างนั้นบอกเขาอย่างนั้น <c oughs> เพื่นเห็นคลิปล่าสุดนี่คลิปแถบมาลายูเนี่ยที่ตีกองแล้วก็เต้นกันในในมสัสยิดเนี่ย มันไม่ใช่กระเตะธรรมดานะมันก็คือรําเลยละ่ะราําอะรําเลยแล้วก็มีกองเมียแล้วก็มีมีไ ม, มสโตร ด, ด้วยมีคนกำลังดูแลเรื่องทำนองด้วยจต่ต่างกันที่ว่าใส่สโรงและเสื้อกุลงหมวกทำในมสิสยิ เขาเข้าใจว่าเขาเขากำลังทาความดีกําลังทําไม้มาได้อยู่เขาเข้าใจอย่างนั้นเป็นวาระที่ค่อนข้างสร้างความเสียหายมากแล้วพอมาดูา่การที่ไม่เข้าใจนะั่นก็หมายถึงว่าไม่เห็นคุณค่าของความรู้ความวิชาการความรู้าารวิชาการที่มันจะมันจะ มันจะทำลายหรือจะหรือจะยกเลิกความบกพร่องเหล่านี้ก็คือเรือร่องเรื่องเรื่องไม่เข้าใจประชาชนที่สามารถพัฒนาประเทศชาติสังคมเขาได้เนี่ยคือประชาชนที่เขาพัฒนาการเรียนรู้การศึกษา คงเขาไม่ทิ้งช่องว่างให้มีโอกาสที่เขาเรียกกันว่าโอกาสไม่เข้าใจไงก็ให้ความรู้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้เสมอแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสในการรับรู้และมีความอยากที่จะรู้และมีความเกลียดที่จะไม่รู้มีความเกลียดที่จะไม่เข้าใจ อย่างนี้สำคัญมากทั้งหมดเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้เรื่องความรู้เรื่องความเข้าใจเนี่ยปัญหาของเรื่องการปก ค, ครองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกแก้ไขด้วยให้การศึกษาการเรียนรู้รับรู้ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะ เราบอกว่าพื้นฐานพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยจะต้องมีอิสระเสรีไม่ถูกครอบงำาก็ไม่มีใครครอบงำเขาในเรื่องการทำมาหากินเขาไม่ได้เป็นทาสเขาเป็นไทยเขาเป็นอิสระภาพ เขามีอิสรภาพเขาสามารถดํารงชีวิตโดยไม่มีเจ้านายที่จะครอบงครอบงำหรือควมคู่ชีวิตของเขาต้องกลับชีวิตของเขาเขาจะเรียนรู้เขาจะศึกษาเขาจะทำมาหาดินเ็จะอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เป็นเป็นความอิสระ ที่แท้จริงก็คือต้องไม่มีใครใครครอบงาแม้กระทั่งมนุษย์ในรูปแบบใดๆของการครอบงำของมนุษย์เพราะบางคนเข้าใจว่าฉันไม่ได้เป็นทาสให้กับมนุษย์หมายถึงว่าในรูปแบบความเป็นทาสที่เคยมีตั้งแต่เดิมแต่ที่จริงเนี่ยการเป็นทาส ให้มนุษย์นี่มันก็มีหลายรูปแบบพวกเราทั้งหมดในเป็นทาสของ Facebook ตอนนี้คนไทยเริ่มเป็นทาสของ t ทว t t เตอร์สื่อนี้เป็นทาสของฮของ t ทว t t e r มาตรฐานอะไรที่สื่อวางไว้หรือในวงการของ เศรษฐกิจเขามีมาตรฐานอะไรแล้วก็ต้องยอมรับในมาตรฐานนั้นเช่นดอกเบีย้ยก็เป็นธาตุของดอกเบีย้ยมันก็จะเป็นธาตแบบุในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดถ้าหากว่าเรายอมที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยผูกมัดอยู่กับเรื่องนั้นๆแต่การที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงนี่ก็คือหลดุด หลดการล่ามโซ่ทุกทุกรูปแบบที่มีกับมนุษย์ด้วยกันและก็ยอมจำนวนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิพิสิทธิ์ที่ควรก็คือผู้สร้างเรามนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันเหมือนกันเลย แม็กซกระเบง ก, กับคนไทยคนหนึ่งก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่คุณค่าของคนที่ไม่สามารถทิ้งเฟซบุ๊กจะได้ไปละหมาดนะหรือสื่อที่ถ่ายทอดถ่ายทอดแมตซ์สำคัญอย่างที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเลเวอร์บูกับอะไรนะ นั่นไม่สามารถลุกขึ้นแกีย้มุดเลลทีสองอะนะแต่มาทีสองจะได้ดูดูทีมของตัวเองเป็นยังไงอะไอาหานของตัวเองนี่เป็นยังไงนี่นี่เป็นธาตุเป็นธาตุรูปแบบหนึงง่งในรูปแบบหนึง่งรูปแบบใดของของความเป็นธาตุ เช่นเดียวกันกลัวโควิดโรคระบาดมากกว่ากลัวพระเจ้าก็เป็นทาตเป็นทาตไวรัสไปซะแล้วเป็นทาตของไวรัสของโรคของความเจ็บป่วยกลัวโรคกลัวความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะกลัวพระเจ้า และในขณะเดียวกันเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้การเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเป็นมาตรฐานคุณภาพของชีวิตให้ได้อย่างน้อยเนี่ยกับตัวเรากับคนใกล้ตัวเรา เดี๋ยวนี้ในสังคมมีคนที่มีคุณภาพการศึกษาเนี่ยที่ต้องนําชื่อนําหน้าชื่อเนี่ยด้วยดอดเด็กรอเรือนั่นะคือคุณใช่ปะ่ะถ้า อ, าอ่างอย่างเดียวก็ยังอยู่ในกระลานแต่ถ้าด็อกเตอร์เนี่ยโอ้เ น, เนี่ยเองแล้วนี่คือคุณภาพปฏิเสธไม่ได้ไงว่ามันเป็นมาตรฐานสากล แต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็จะต้องปราศจากความเป็นทาสกับกรอบพวกนี้ไม่มีไม่มีปัญหานะที่เราจะเรียนรู้เน่ยโทรไเนี่ยเอกวนด็อกเตอร์เนี่ยไม่มีปัญหานะแต่จะให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานคุณภาพจนไ ม, ไม่เห็นมาตรฐานคุณภาพที่แท้จริงจะเป็นด็อกเตอร์แต่อ่านฟาติฮาไม่เป็น เตเป็นอาจารย์ศาสตร์อะไรก็ตามแต่ละหมัดไม่เป็นอย่างเงี้ยคุณภาพมันจะอยู่ตรงไหนแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นว่ามั น, ม, นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ขาดขาดจากคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ในสังคมของเราเนี่ยคือการการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่ควรรู้ ว่าเรากที่เสียไม่ได้ว่ามีในสังคมของเราหนูก็มีศึกษาศาสนาในมีเรียนฮาฟิตเยอะไหมเยอะเรียนฟอรดูอินมีไหม ม, มีจะบอกให้นะเรีเรยนฟอรดูอินเนี่ยประเทศไทยเราแอกมาเลย์เนี่ยดีกว่าประเทศมุสลิมประเทศอาหรับหลายประเทศนะมุสลิมส่วนมากเนี่ยมุสลิมส่วนมากกันในประเทศไทยเนี่ยก็ผ่านหลักสูตรฟอรดูอิน อายุเจ็ดขวบนี่อ่านฟาติฮาเป็นละส่วนมากนะปฏิอิรับนี่ไม่ใช่นะปฏิอิรับส่วนมากนี่เจ็ดขวบยังอ่านฟาติฮาไม่เป็นนะสิ่งที่เหลือเชื่อพอที่นูน่นกระบวนการเซกุล่าในเรื่องเรื่องความรู้สากลสามันเนี่ยมันที่สุดแล้วมันถึงที่สุดและ้ะเขาสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยจน จนสังคมอาหรับเขาเขาอินมากกับเรื่องความรู้สากลกอาความรู้ศาสนานี่แไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีความสำคัญเลยไม่มีความสำคัญถึงขนาดต่อต้านอะไรที่มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความรู้ขัน้นพื้นฐานเช่น อาดบเนี่ยถ้าคนที่เขาเรียนรู้ศาสนาหน่อยแล้วก็มีความรู้พื้นฐานความเข่งคัดพื้นฐานเนี่ยเวลาเขาประสบกับมูซีบะเนี่ยประสบกับปัญหาในชีวิตเนี่ยอาดับทั่วไปอะนะที่มีความเข่งคัดนิดหน่อยเนี่ยเขาจะพูดคําว่าอัลลอฮุลมุสตาร์ก็เหมือนที่เราเราประสบมูซีบะขอยเช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่เขาจะ เขาจะพูดเป็นภาษารับอัลลอฮุลมุสตาส์อัลล์เป็นผู้ที่เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮุลมุสตาส์ันเป็นคำติดปากเขาต่อต้านไอคำนี้ที่มันมาจากฐานความรู้ที่มันพิเศษนิดหนึน่งเรื่องศาสนาจัดทาละครล่าสุดเนี่ยทาละครฉายเดอร์มดนอน Ramadan, ที่มาเต็ดอีบให้คนเข้าใจอยู่า คนที่พูดคำนี้ล่อนมุสตาแสดงว่าเป็นคนเคร่งเป็นพวกที่เกี่ยวกับอิควานจะต้องแจ้งความจะได้เอาตำรวจมาจับแล้วในฉากหนึ่งของละครเนี่ยพวกครองแม่เนี่ยจะจ้างครูมาสอนลูกครูสอนวิเศษนะนะ สอนดนตรีสอนเคมีสอนวิทย์สอนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและก็สอนกุรอ่านการสอนกุรอ่านนี่ไม่ใช่ว่าเขานิยมศาสนานะไม่หมายถึงว่ามันจะได้ครบครบสูตรเรียนเรียนหมดอนนี้ก็มาโทรโทรจ้างจะตด้จ้างครูสอนกุรอ่านเขาก็ต่อรองเรื่องราคา ครูที่สอนกุูอานเนี่ยบอกว่าไม่ไม่แพงหรอกลองมุสตารลองมุสตารคนบอกอะไรนะลองมุสตารนะ์เป็นตัวอย่างเป็นนิขวานเปล่าโดยจะแจ้งความนฉากหนึงในละครที่ตลกมากกว่านั้นน่ะประธานาธิบดีนี่ซีซี่อ่ะประาศัยก็พูดถึงเรื่องปัญหาของ สังคมเรื่องราคาน้ำมันมันขึ้นแล้วแกก็ลูดปากว่าอัลลอฮุมุสตานไม่ใช่นะไม่ใช่อัลลอฮุมุสตานเหมือนอันนุนนะไม่ใช่นะดูเขาต่อต้านอะไรที่เกี่ยวกับมาตรฐานพืฐานเลยถึงจในประเทศมุสลิมเราหรืออหรับบางประเทศนี่นะเขาถึงขั้นที่นะการศาสนา ที่มันค่อนข้างเล็กน้อยเนี่ยมันถูกตัวต้านอย่างรุนแรงบ้านเราก็ยังยังดียังดีเยอะแค่สู่รางพรบรคู่ชีวิตเนี่ยก็ก็ถือว่าบุญนะยังยังมีสิทธิ์ในการที่จะค้านในะยังยงยงมีสิทธิ์ที่จะพูดนะนี่เราเรา เราดูว่ายัางดีนะไม่เป็นได้คนด่าหยาบคายนี่มันมีทุกที่แหละคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผมอยากจะย้ำกับพี่น้องนี่ก็คือเรียนกุรานมันเป็นมันเป็นเสนีการเรียนรู้ศาสนาในยุค ป, ปัจจุบันนี่ค่อนข้างหายากยิ่งถ้าเราจะหาโอกาสในการที่จะเรียนรู้กุราน ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ยิ่งยิ่งยากไปอีกแต่เราไม่ได้อยากให้การเรียนรู้มันมีเพียงแค่นี้หมายถึงว่าเราเรียนแล้วก็เรียนเรียนทําไมเรียนเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเราจะมานั่งถามตัวเราหรือคนที่มาเรียนด้วยกันแล้วกันเรามาเรียนทําไมกันก็เรียนไปเรื่อยๆไม่ใช่ มีสองก้าหมายสำคัญในการเรียนเ ร, ยเรียนรรู้จะได้ปรับและก็พัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นในสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียนให้มากที่สุดสองแล้วก็เอาเนื้อหาของความรู้ที่เราเรียนรู้เนี่ยไปพัฒนาสังคมของเราด้วยสออย่างนี้ต้องมาด้วยกันต้องเป็นสิ่งที่มาตรวจสอบกันบ่อยครั้ ง, งชีวิตของเรา มันได้บรรลุสองเป้าหมายนี้มากน้อยแค่ไหนสุรัตอัลอัมฟัลเป็นสุราที่เล่าเรื่องสงครามบัตรเป็นสงครามแรกที่ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ต่อสู้กับผู้ปฏิเสธศรัธากับชาวมักกะเนี่ยความไม่พร้อม ของนบีและสฮาวะเนี่ยใช่เป็นความไม่พร้อมในด้านวัตถุกองทัพของท่านนบีน้อยมากอาวุธก็น้อยมากแต่ความพร้อมของท่านนบีและสฮาวะเนี่ยในการที่จะมีความรวดเร็วสนองบัญชาของเาาราสมพรนัง ปัใจจัยในเรื่องนี้นะ่ะมันไม่ไม่มีต้นทุนเยอะปัใจจัยในความรวดเร็วที่จะสนองบรรชางของระสุภารุษกะตาบแทบไม่มีต้นทุนเลยอย่างที่บอกตอนบรร ญ, ญายนข้า้งตอนอยู่ที่ความจริงใจคือเราอยากจะจริงใจจริงใจเนี่ยจริงใจเนี่ยก็ต้องเข้าใจใช่ไหมนะสหบ้าเนี่ย เขาใจแสดงว่าความจริงใจของเขาเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเขาออกจากมาดีนาเนี่ยสามร้อยคนไม่ได้เตรียมตัวที่จะประทะกับออกองทัพใหญ่ของกุเรชเขาเตรียมตัวที่จะไปดักคารวานแล้วก็คืนทรัพย์สินที่เา ที่ชาวกรูรีสติยึบไปจากชาวมูฮัจิดิ์มหสาสันคาราวานมาฝั่งฝั่งนี้พอเขารู้แล้วว่านาบีจะออกมาดักเนี่ยเขาก็เลยส่งสัญญาให้ชาวกูดีสจะออกมาปกป้องชาวกูดีสก็เลยยกทัพหนึ่งพันคนเพื่อไปปกป้องปราะกว่าด้วยพอขึ้นไปแล้วเนี่ยกองทัพของกูดีสจะใกล้กว่าคาราวานคาราวานนี่รอดไปแล้วรอด ตำแหน่งของกองทัพของท่านนาบีสุลตล่านละวะเลวิสั่ง Allah ก็เลยบอกว่า Allah ลลก็เลยสั่งให้ท่านนาบีละสฮาบ้านเนี่ยไม่ต้องไปล่าคาราวานเนี่ยแต่ให้ให้มาประทะกับกองทัพนี้ทั้งดังนี้ออกจากมาดีน้านนี่ไม่พร้อมนะนบีละสฮาบ้านเราไม่ได้ออกวาเราไม่ได้ออกวางั้นเราไม่ไปอะ ไม่มีใครพูดดึงนี้เลยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าใจของเขานี่ก็มีไ อ, ไอค้ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเนี่ยอัลลอ์ก็อัลลอ์ลลก็เอามาเปิดเผยว่ามีนกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งของพวกท่านเนี่ยไม่ปรารถนาที่จะที่จะไปรบอยากจะได้ไปประท่ากับคาราวานมากกว่าคืออยากได้ทรัพย์เเลยมากมายแล้วก็ไม่ต้องประทะาไม่ต้องแบบว่า ไ, ไม่ต้องเสีย เียเนื้อเสียเลือดมากแต่ถ้าไปทําสงครามกับกับอกองทัพพันกว่าคนนี่นะอันนี้นี่เสี่ยงใจเย็นนะใจเย็นนะไม่อยากจะอัลลอฮ์ก็เอามาเปิดเผยเป็นส่วนนึ่งนะต่อัลลอฮ์ก็เอามาเปิดเผยมันก็เป็นบทเรียนว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มมุสลิมเนี่ยแม้ว่าส่วนมากเนี่ย แอ้ยทุกอย่างนี่แจ่วแต่ส่วนหนึ่งใจเขาเนี่ยไม่เต็มรอยอัลลอฮ์ก็รู้เหมือนกันอัลลอฮ์ก็รู้นี่ขนาดกองทัพของบดตรเนี่ยถือว่าหัวกะทิที่สุดยอดแล้วของซาฮ์บะอย่างที่ผมบอกนะอย่างที่ผมบอกนะไมีอุลมามะท่านหนึ่งผู้นำที่มีชื่อเสียงในโลกท่านหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ฝันถึงท่านนาบีถามนาบีนบีครับว่าไรเราจะจชนะศักทีในปัจจุบันนะว่าไรมุสลิมเนี่ยจะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมสัทีเขาบอกว่าถ้าในประชาชาติอิสลามมีเพียง317คนที่มีหัวใจเหมือนสัฮาบานยุคนั้นก็ถือว่าหัวกะทิแล้ว่สัฮาบานยุคนนั้นนะแล้วก็มันก็ไม่แปลกนะว่าอย่างที่บอกกับพี่น้องว่า อุลามาเวลาเขาจะบอกว่าสหามาติประเสริฐที่สุดนี่คือใครคอลีว่าตั้งสี่นี่ระดับแรกนะแล้วก็สามที่นบีรับรองว่าเขาสวรรค์ิบคนัลชชรุนบิลเจนนนี่อันดับที่สองนี่เป็นาคิดาเลยนะของอาลซุนนัลจะมาอันดับที่สมเนี่ยชาวบัคนที่ร่วมทาสงครามัตกที่องสหามาแต่ก็มีในบางส่วนเนี่ยที่เามีความรู้สึกความปรารถนาที่ไม่สอดคล้องกับ กับบัญชาของรัศมีเราได้ละทั้งหมดเนี่ยอลัลลอฮก็เอามาเปิดเผยแสดงว่าเหมือนกับว่าอาลัลลอฮ์ให้เราเฝ้าระวังแม้กระทั่งจิตใจของเราความจริงใจของเราแต่เอาละถึงจะเป็นส่วนน้อยอะนะส่วนมากนี่มีความพร้อม และความรวดเร็วในการสนองนบีก็จะเป็นคนแรกขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุภานะฮฺอัตตาลเพราะมีความพร้อมแล้วไม่ใช่ความพร้อมด้านอุปกรณ์ด้านวัตถุหรือจำนวนอาหารแต่ความพร้อมด้านอะไรจิตใจแล้วก็รู้ว่าเราเป็นที่พึ่งจริงๆอิดเตสต์กิธุนัรบบะคุม จงรำลึกอัลฮัมมัดและทุกคนที่อ่านกุรอรานเนี่ยให้รำลึกเนี่ยพวกเราเนี่จงรำลึกขณะที่พวกขณะที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือยามขับขันต่อพระเจ้าของพวกเจ้าขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه หัวดาลเป็นแห่งแรกในเมื่อเราเชื่อจริงว่า ผู้ที่สามารถช่ว ย, ช, วยช่วยเราจริงๆนะอัลนี่ในทุกกรณีในชีวิตของเรานะถ้าอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งผู้แรกจริงๆนะความช่วยเหลือจะมาจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความช่วยเหลือแรกเราป่วย mm. นึกถึงใครก่อนนึกถึงหมอหรือยาหรืออัลลอฮ์ก่อนอืมป mm. วดหัวอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรก่อน นึกถึงพาราก่อนนะนนึกถึงการพักผ่อนก่อนนนึกถึงอัลลอ์ก่อนว่าเราต้องฝึกฝนในทุกบททดสอบและมุสบ้านเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยเจออะไรก็ตามนะอย่าอัลลอฮ์แค่นีอยาอัลลอ์เรียกอัลลอฮ์ว่าปวดหัวนี่ยาอัลลอฮ์ซาบดีอัลอช่วยเหลขอความช่วยเหลือจากอัลลอ์เนี่ย ให้เป็นวาระแรกที่มันกระโดดขึ้นที่สมองกระโดดขึ้นที่สมองในภายกระพิบตาเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยจะนึกอะไรเนี่ยวาระแรกเรื่องแรกเนี่ยนึกถึงเราะสวานเนวาเรื่องอื่นมาทีหลังเนี่ยก็ธรรมดาป่วยแล้วก็คิดจะไปหาหมอลูกไม่สบายก็จะพาก็ไม่เป็นไรแต่แรกเนี่ยต้อง พ่พอัลลุบฮานาความพร้อมพร้อมใจเนี่ยทำให้ความช่วยเหลือมาทันที เ, เพราะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮสุบฮานาฮาแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสนองแก่พวกเจ้าวารับสนองเลยพระเจาจบตอบรับทันที และความช่วยเหลือนี้เปนการคาดเกินคาดแท้จริงข่าจะช่วยพวกเจ้าด้วยมาลาอีกหนึ่งพันท่านซึ่งสุดวิสัยของซาฮาบะเนี่ยไม่ได้คาดคิดเลยว่าอัลลอฮ์จะส่งอะไรก็มาช่วยความช่วยเหลือนี้ก็อาจจะมาในรูปแบบอื่นๆเช่อนอํานวยทหารอื่นของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่านี่ในสุรัต وما يعلم جنود ربك ل ا هو سورة مدهشة تقول ما ي م ك ا ه ب ا جرودي، ليس ل ه ا ل ل ه م ة ا ل ي ن م د ي رياح، و ن ه ب ا ل ع ل م م ا ا م ا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ م ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ م ا ا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ا ذ ا ماذا؟ ماذا؟ م ا ا ماذا؟ ا ذ ا ا ذ ا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ م ا ذ ا م ا มาสร้างความหวาดกลัวกับศัตรูซึ่งเป็นเป็นความช่วยเหลือที่เกินคาดโดยที่มารายกา1หนึ่งพันท่านเนี่ยทยอยทยอยกันมาทยอยลงมา <c oughs> และคำสั่งบัญชาเนี่ยบัญชาที่อัลลอฮ์ให้อะไรก็มาช่วยเนี่ยมาจากอัลลอฮ์โดยตรงในรายงาน أبن عباس وهو. النبي صلى الله عليه وسلم دلوا ه ي ث جبريل. شو ن صن ك ا م الدنيا؟ ي د كان دي ملاكا مشهور س ا ب ا ت ه ن ن ي كذا هتن جبريل و ر ج ك ماي م ا ك ا ثني. จิบริลก็มองซึ่งตัวท่านนาบีและก็ซาฮบานี่ก็มองไม่เห็นไงแต่เขารู้ว่ามีมีมีอะไรมาช่วยท่านจิบริลบอกว่ามาเลย์กานี่มีเยอะผมไม่รู้จักหมดหรอกแต่ท่านนี้เนี่ยไม่ใช่เชตรตอนแน่นอนเป็นมาเลยกาแสดงว่าบัญชาที่จะให้มาลลย์กาเนี่มาช่วยนี่ ไม่ได้มาจากจิบรีลนะไม่ใช่ Allah กับบัญชาจิบรีลอ่านพะามาะไรกาไปช่วยนบีแล้วก็จิบรีลไปเกณฑ์มาอะไรกนันไม่เลยนะนี่บัญชามาจาก Allah นะดุกคนฟ้จาจะตอบเลยคุณรับบุคุณอันนีมุมิดุคุณอันนีฉันเอง Allah เองเนี่ยจะช่วยด้วยมาอะไกนันหนึ่งพันท่านมุรดีฟินทยอยกันมาซึ่ง ความช่วยเหลือด้วยอะไรการเนี่มันก็ไม่ใช่ความช่วยเหลือที่เป็นเงื่อนไขของชัยชนะเพราะอัลลอฮ์ก็สามารถช่วยเหลืออบีและสุฮาบะได้รับชัยชนะโดยที่ไม่ต้องสุดไม่ต้องส่งอะไรก็ได้ละบาลูกะมาจ้าเลห์อลลอฮุอิลลาบุชรอละอัลลอฮ์นั้นมีได้ส่งให้มันคือการบัญชาให้มันอะไรก็ไปช่วยนี่ไม่ให้ มันมีขึ้นนอกจากเป็นข่าวดีบุชรรเท่านั้นบชให้เป็นข่าวดีเป็นกำลังใจแสดงว่าข่าวดีเนี่ยเป็นความช่วยเหลือเพราะนบีขอความช่วยเหลืออิดเดสตาีซูนรบักนบีละซาบะขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือเป็นมาอะไรก็ ก็เป็นข่าวดีแ ล, ล้กวก็การส่งมาอะไรก็นนี่เพื่อเป็นข่าวดีอับนุลกซีรบอกว่าเป็นเนี่ยม้าคอฟี่อ่ะเป็นความโปรโดปรานที่ลึกลับทําไมอ่ะก็มาอะไรกนันนี่มีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นถ้าอัลลอฮ์ไม่เอามาบอกนี่นะซาบะก็คงไม่รู้หรอกว่ามีมาอะไรกัมาช่วยเป็นเนี่ยม้าคอฟี่อ่ะเป็นเรื่องที่ลึกลับไม่มีใครรู้แต่ลเราให้มันเป็นข่าวดี อบนียร์าสร้งงานบอกว่าอัลล์ให้มลายกาเนี่ยพูดพูดให้ฟังซึ่งคำพูดเนี่ยมีน้ำเสียงเหมือนน้ำเสียงของคนสาวว่าไม่ไม่รู้นี่ว่านี่เป็นเสียงของมลายกาแต่อัลล์ให้มลายกานี่พูดพูดบอกว่าเนี่ยตะกินเนี่ยฉันเห็นพวกมุชลิกีคนหนึ่งบอกว่าโอ้โห กองทัพของมุสลิมเนี่ยถ้ามันลุกทีหนึง่งอะเราเนี่เสร็จแน่แค่นี้พอซาบ้านเนี่ยเขาได้ยินคนที่พูดแบบนี้เนี่ยว่ามุชริกีนเนี่ยเขากลัวมากเลยนะมันก็เป็นกําลังใจเวลาบอกว่าเนี่ยข่าวดีมันไหลมุมมาลายก้านี่ทําอะไรอะทัศน์นาเวลามาสวนว่ากูมาลายกา้านี่ไม่ไดีไม่ไดีมาสู้รบแทนซาบ้านเนี่ยไม่งั้นซาบ้าก็ไม่มี ไม่น่าจะมีใครบาดเจ็บเลยอะไรก็มาพันกว่าคนหนะ น, นึ่งในนะั้จะบรีลหนะนึ่งในนั้นนะจะบรีลนะ ถ, ถ้าทำอะไรากันี่สู้สู้กับซาฮาบานี่นะอะไราก็ท่นเดียวนี่ก็จัดการหมดเรียบร้าอุลมาส่วนว่าผมก็มาเลไก็ไม่ได้ลงมาสู้เต็มที่นะอาจจะมีบ้างนะแต่ไม่ได้ไม่ได้มาลงมือเต็มที่เป็นอะไรเป็นกําลังใจ เป็นขาวดใีให้เป็นกำลังใจสแสดงว่าขาวดีเนี่ยมันเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับโหสถบตออยสบมาถานจะมีสลงม ห, หอหอะไรสคนเรานี่ทำความดีอย่างหนึ่งไม่ได้ตั้งใจโอโอดไม่ได้ตั้งใจเสนอตัวแต่มีคนมาชิ่นชู พยายาดูเขา الرجل ไม่ได้มาเรียกร้องนะเขาเลว่าเฮ้ยมาดูหไงนะหรือว่าถ้ากล้องยังไม่อยู่นี่ก็ยังไม่ทำรอให้กล้องกล้องมาแล้วเนี่ยทำความดีมีความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียกร้องความสนใจของใครเขาเขาแสวงผ ล, ลบุญจากน้อยอย่างเดียวนะแต่มีคนเห็น โดยโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขาเห็นแล้วก็รับรู้แล้วก็ชื่นชมแลาวเขาชื่นชมสาบาบกลัวว่าไอ้ที่ไอ้เขาชื่นมาชื่นชมเนี่ยมันเป็นการได้ส่วนหนึ่งของผลผ ล, ลบุญไปแล้วไหมมันจะขาดผ ล, ลบุญไปไหมเนี่ยพรท่านอบีเตือนไงเรื่องการชื่นชม ต่หน้าต่อหน้าคนอย่างนี้นบีบอกว่าไม่ใช่คือคือทไม่ได้ตั้งใจนะทําแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียกร้องความสนใจหรือจะให้เข้ามาชื่นชมไม่ได้ตั้งใจแต่เขาชื่นชมมาเองนบีบอกว่าติลกาจิลูบุชรออัลมุบมินนี่คือข่าวดีที่อัลลอ์เร่งมาให้ผู้ศรัทธา าะลอิลบุชรอเป็นข่าวดีข่วาวดีและขาวที่เป็นกำลังใจถต้องหมเป็นกำลังใจแต่มีเงื่อนไขสำคัญก็คือไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องการชื่นชมและไม่ให้การชื่นชมเนี่เป็นเงื่อนไขในการทำความดีต่อ ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ชื่นชมต่อไม่ทำแล้วอันนั้แสดงว่ากันเขาต้องการแต่เขาไม่ต้องการที่จะโชว์ก็ทำต่อไม่สนใจหรือไม่เกิดความรู้สึกเสียใจที่ไม่เกิดการชื่นชมอีกเงื่นไครนึ่หมายถึงว่าทำไปแล้วไม่เห็นมีใครชื่นชมน้อยใจสุดละอาการสุดเลย ทำไมเป็นอะไรไม่มีใครมาให้กำลังใจผมเลย น, นี่คนไทยเรานี่มีเป็นโรคนี้เยอะเป็นอะไรอะบางไม่มีใครให้กำลังใจผมเลยตกลงเราทั้องงานเพื่อใครเนี่ยทำไปเหอะไม่มีคนให้กำลังใจเนี่ยดีแล้วผลบุญมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด บุชรอเนี่ข่าวดีการชื่นชมต่อหน้าเราอ่ะแม้ว่าจะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีก็จริงกันนะแต่มันก็มีความเสี่ยงนิดๆใช่ปะ่ะพอมาชืนนช่นชมชื่นชมแล้วอ่ะนะมันก็เป็นอาจจะเป็นโอกาสดีที่จะเป็นโอกาสที่จะสูบลมพองเกินแทนที่จะเป็นข่าวดีอย่างเดียวมันก็สูบ พอพอเลิกพอเลิกชมแล้วอ่ะนะแผ่วแบนเมันก็เสียงตรงนี้แล้วเราทำความดีเนี่ยการเฝ้าระวังความดีที่เราทำนี่นะการตรวจสอบความดีในตรงนี้ให้สล้วก็แล้วก็เขาไม่ขอบคุณทำอะไรเขาไม่ไม่ชื่นชมไม่ ก็ย่าถือว่าเป็นเงื่อนไขในการทำความดีที่เราทำไปเพื่อให้ความดีของเราเนี่ยรับผลบุนเต็มๆจากอัลลอสุภาเน า, า, าะสาสหภาพในประชินหน้ากับกองทัพของกูริชเนี่ยด้วยความหวาดกลัวเพราะเขาจำนวนน้อยกว่ามีความหวาดกลัวแต่การที่อัลลอฮฺส่งมาเลยกล์กาไปเนี่ยเพื่อเป็นข่าวดีอัลลอไม่ได้ทรงให้มันมีขึ้น คือการส่งมาลายกยาเนี่ยนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้นและเพื่อว่าหัวใจของพวกเจ้าจะได้สงบขึ้นด้วยสิ่ง น, นั้นด้วยการส่งมาลัยกาหัวใจจะได้สงบรู้ว่ามีมาลัยกามาสนับสนุนหัวใจก็สงบก็จะมีความสงบไม่มีความหวาดกลัวไม่ผวาไม่ไม่หวัว่นไหว ว่ ن ن ามน้ศรุอิลลามิ่งดิทั้งทั้งที่มาเลกานี่ก็มาจากอัลลอฮ์นะแต่อัลลอฮ์ก็ยังสั่งสอนว่าพึงรู้รู้ด้วยว่าความช่วยเหลือที่มาจากมาเลกาที่มาสนับสนุนเนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันก็เป็นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเยนหลงกับความช่วยเหลือช่วยเหลือเนี่ยว่ามันมีอนุภาพในตัวมันทำไมถึงมาไปพึ่งพาตัวมาเลกาเนย د أن نفاحه م ل ك ن ا من ش ومن نصر إلا من عند الله، ل مي ك ن شئي لة، ناخدت تي م تي الله ت ا الله ص و ا م شئي لة ن م م دي ما تي ملاك ده ر ่ง درع، تي تا ناخد مي دي سان مي دي بنشا تي ملاك م شوي لة، ن د ในชีวิตของเราเนี่ยเวลารับการสนับสนุนช่วยเหลือการอุดหนุนใครจากใครเนี่ยมันก็เกนเราก็ขอบคุณเขาได้เป็นกำลังใจได้ใจของเรามีความสงบกับสิ่งเหล่านี้กับความช่วยเหลือนี้ได้แต่อย่าไปเชื่อว่านั่นแนหะคือความช่วยเหลือที่สุดที่สุดที่มีในชีวิตของเราในโลกนี้เราต้องมั่นใจว่าความช่วยเหลือจากปมาสุภานวาตาละเท่านั้นนะ่ะ ที่อยู่เบื้องหลังความช่วยเหลือต่างๆสาภาพปสมาต่างๆในปวัจัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อินนัลลอฮฺอาซุฮะกมแท้จิงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงดชานุภาพผู้ส่งพรชัยันหนึ่งนีความช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ส่งไปเนี่ยก็ไม่ใช่มาเละงะายอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ในสถานการณ์ที่มันรุนแรงขนาดนี้สถานการณ์สงค่ามอย่างเดียวเนะี่ยสงค่ามอย่างเดียวนี่ก็ก็น่ากลัวแล้วบางคนนะ่ยดูหนังผีเนี่ยนอนไม่หลับดูหนังอะไรรุนแรงเนี่ยมีเลือดมีอะไรนอนไม่หลับเลยกลัวเพราะอะไรความกลัวมันทําให้เรา นอนไม่หลับจริงไหมจริงอา้าวคนที่กลัวคนที่กลัวทิงจกตุ๊กแกนี่พอได้ยินเสียงตุ๊กแกในบ้านในบางทีนอนไม่หละเห็นมแมลงสาบในห้องนอนนะนะจบเลยห้องนี้เนี่ยไม่มีทางนะจะยังไงก็นอนไม่หลับเมื่อคืนนี้ใช่ไหมปันกันแล้วแต่เราจะกลัวอะไรอะ่ะสงครามอะ่ะ อาหารนะรอ้รอยกว่านายนี่ก็มีดาบมีอะไรก็เตรียมจะปาดคอจะฆ่าไม่กลัวได้ไงจะนอนหลับได้งไงแต่เราช่วยอยกีคุมุนาซอมานตมินจงรำลึกรำลึกด้วยอย่าลืมนะเรื Rogers ่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้จงรำลึกที่พระองค์ทรงให้มีการงีบหลับ ความม่วงอ่ะม่วงได้ไงอ่ะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยรอที่จะให้มีทหารพันนายนี่จะมาประทะกับเราแล้วกับเราแค่ส0มร้อยคนยนะี่ยมากกว่าเราสองเท่านี่น่า ก, กลัวมากเลย่แต่เราส่งให้ซาฮาบานี่มีความม่วงนิบลงมาคอบงำพวกเจ้าด้วยความปลอดภัยจากพระองค์นี่ก็เป็นนื้อมาอย่ง ทำมันก็งี่บลงพองิ่บลงแล้วเนี่ยไอ้ความหวาดกลัวนี่มันก็หายไปในด้านจนิุวิทยาการที่เรามีความสามารถในการที่จะพ้นความเครียดดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดเนี่ยคืออะไรคนส่วนมากในพอเครียดไม่ใช่ส่วนมากจํานวนไม่เยอะไม่น้อยนะ คือจะได้ไม่เครียดอ่ะทำอะไรไปกินเหล้าไปเสพยาไปอะไรมันจะได้ไม่คิดแต่สิ่งที่มันธรรมชาติที่สุดธรรมชาติที่สุดมันจะได้ลืมหมดเลยอ่ะคืออะไรนอนหลับเพราะหลับมันจะมีอะไรเครียดไหมไม่มีและการที่นอนหลับนี่แสดงว่าไม่เครียด แล้วคนส่วนมากที่มีปัญหาด้านจิตใจโรคจิตอ่ะนะส่วนมากเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับนอนหลับยากแล้วหมอ น, นี่ก็จะให้ยาให้ทําอะไรให้นอนหลับเห็นปะแสดงว่าสภาพจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยคือสภาพที่ไม่เครียดไม่วานไหวไม่ไม่วน ไ, ไม่คิดวน และสามารถสามารถใช้แนวมาที่อัลลอฮ์ให้มาในีารเกือนอนหลับเราในเวลาเครียดเวลาคิดมากกันรนี่ก็จะนอนไม่หลับแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้นอนหลับนะถึงแม้ว่าคือถ้าเราเครียดถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนะนี่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะ่ะแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้นอนหลับก็แสดงว่าเป็นแนวมมันช่วยมันไม่ได้ช่วยความการที่นอนหลับเนี่ยงีบหลับเนี่ยมันไม่ได้ช่วย ให้พักผ่อนสภาพร่างกายอย่างเดียวนะมันพักผ่อนแม้กระทั่งจิตใจทําไมอะ่ะเพราะไอ้ที่เครียดนี่ที่มันั่งคิดแล้วก็เครียดนี่รู้ไหมห่วเซลล์สมองเนี่ยเซลล์ประสาทเนี่ยมันตายไปกี่พันกี่ล้านตัวเครียดเครียดแล้วปวดหัวเนี่ยมันทําลายอะ่ะทําลายเซลล์สมองอะ่ะ แต่คนนี่เครียดคนรที่จะห่างไกลจากเรื่องเรื่องเครียดแพทย์นบีเนี่ยหลักแพทย์ของอิสลามนี่ก็คือแต่ว่ากุลมอบหมายตอลอะเครียดทำไมไปเคียดทำไมตัวเองเป็นเจ้าโลกเหรอตัวเองมีแค่นี้ก็แค่นั้นเป็นต้อเครียดปลอยซะ แม้กรั่งเรื่องที่ควรเครียดก็ไม่อนุญาตให้เครียดนานเช่นเครียดเครียดพาะไม่รู้ว่าจะเข้าสวรรค์ป่ะแต่ในเป็นความเครียดที่มีเหตุมีผลเครียดได้แต่ศาสนาก็ไม่อนุญาตให้เครียดจนกระทั่งให้ความเครียดนี้มาครอบงำ เครียดจนไม่ต้องทําอะไรเครียดแล้วไม่เขา้เขาสวรรค์ทําอะไรอยู่เครียดทําไมยังไม่เข้าสวรรค์ก็ลุกขึ้นไปทําอะไรที่มันทําให้เจ้านี่เข้าสวรรค์ลุขึ้นไปอาบน้ำละหมาดลุขึ้นไปละหมาดซิกุรุล้อสิเพราะเนี่แหที่มันตอบโจทย์ที่ตัวเองเครียดอยู่เครียดก็จะไม่เข้าสวรรค์อ้าวแล้วก็นั่งเครียดอยู่นั่นนะแหละแล้วไอ้ความเครียดนี่ทําให้เจ้านี่เข้าสวรรค์เหรอบางรายงานบอกว่า <c oughs> ในสงครามบาตเนี่ย สภาพก็เครียน้ำก็น้อยพราะอัลลอฮ์ทดสอบเขาในขณะนั้นนะ่ะเขาไปอยู่นี่อยู่ที่ตำบลบาดเนี่ยรอกองคับของกูดชิชที่กำลังขึ้นขึ้นหวมาเนี่ยรอหลายคืน ซาฮาบะบงท่านเนี่ยลำกลางคืนแล้วก็ฝันเปียกพอฝันเปียกไม่มีน้าที่จะอาบน้ำจะนาบาก็เลยละหมาดโดยไม่มีไม่มีน้าจะน้บาอัตยามมุมเหรียญเดียวมาเลยก็มากรซิบอกว่านี่ดูสิพวกเจ้าเป็นทหารของอัลลอฮ์ทั้งทีนบีรัูลของอัลลอฮ์ทั้งทีนี่อยู่กับพวกเจ้า พวกเจ้าแย่มากขนาดนี้น้ำสักนิดนึ่งจะได้อาบน้ำจะนาบ้านนี่ก็ยังไม่มีสหาบัก็ยิ่เครียดไปอไอเร่งกริบเนี่ยเรื่องกริบของช่วตอนอัลลก็อเลยให้สถาบานนี้นับหลับไปงีบหลับหลับ หลับไปแล้วก็ไม่เครียดเพราะตื่นมาแล้วนี่ฝนตกเขาก็สามารถเก็บน้าแล้วก็อาบน้ำาดินาบากันแล้วก็หายความกังวลในเรื่องนี้นลนนแล้วสรงให้น้ำทรงให้น้ำลงมาแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้ า, าเพื่อทรงชาระพวกเจ้าด้วยน้ำนั้น ลิวท a h i r คุณ به تنتمرع و يذهب عنكم ر ج ز الشيطان และทรงให้หมดไปจากพวกเจ้าซึ่งความโสมมของชัยตอนที่ชัยตอนมักกะิีมันจะได้หายความความแข็งใจความสงสัยที่ชัยตอนมักกะิีอิบดกะซีบอกว่า กรแสรายงานส่วนมากที่ได้รายงานเหตุการณ์ของสงครามบาดุนั้นได้รายงานเหตุการณ์อย่างเช่นในบันทึกของบุคารีและก็อามันว่าท่านนบีสุลลัลละฮ์อะลัยฮุสัลลัมได้นํากองทัพแล้วก็มาพักในตําบลแห่งหนึ่งใกล้ๆตําบลบดุซึ่งบาดุนี้ก็จะมีบ่อน้ําอยู่ที่หนึ่ง ท่า น, นบีเนี่ยไปพักห่างไกลาจากบ่อน้ำเพราะนบีสั่งให้สหาบยเนี่ยได้ได้พักที่นี่อัลหุบามอิบนุลมุนดิรซึ่งเป็นชาวอันซาร์วิ่งไปหาท่านนบีเ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดี๋ยวๆๆครับท่านนบีครับ ท, ที่ท่านนบีบัญชาให้เราพักที่นี่ใช่เป็นความเห็น ส่วนตัวของท่านนาบีหรือเป็นบัญชาจากเราสุภาพนาหัวตาลเซฟตัวไว้ก่อนเพราะเขาจะมีข้อเสนอกับนบีเขาก็ไม่ออาซาฮบ้านี่ไม่มีใครกล้าที่จะคัดค้านอะไรนบีทำอะไรนีบีสั่งอะไรเากลัวมากเลยซาฮบ้านี่เรื่องนี้เซนเซทีฟมากเรื่องกลัวกลัวคัดขืนท่านนาบีนี่เขาบอกว่านาบีนี่ กำลังขุดบ่ยอยู่ในในมัสยิดแล้วก็มีคนยืนอยู่มีคนยืนอยู่ในในมัสยิดนบีก็เลยบอกกับคนที่ยืนนี่นั่งสินั่งสิปรากฏว่ามีคนอยู่นอกมัสยิดกำลังเดินอยู่ได้ยินนบีบอกว่านั่งสินก็นั่งทั้งนันี่เขารู้แน่นอนว่านบีนะ่ะไม่เห็นเขา แต่เขาก็กลัวในใจในว่าคําสั่งนี่มันหมายรวมว่าพวกคุณนี่นั่งกันหมดนี่ก็อาจจะหมายถึงว่าทุกคนต้องนั่งถึงแม้ว่าเขาอยู่ข้างนอกมาสิบเนี่ยเผื่อไว้หน่อยนี่กูนั่งก่อ น, นดูความความระวังงงซ้อมาความที่เขาซอเาเผื่อส้อาเขาเผื่อนะแต่ประชาติรุ่นหลังนี่นะต้องกันข้ามเลย คือน บ, บีสั่งอะไรอ๋ไม่ใช่ไม่ไม่ใชไม่ใช่เะแหละน บ, บีหมายถึงคนอื่น <c oughs> เราเผื่อว่าน บ, บีสั่งคนอื่นไว้ก่อนไม่ได้สั่งเราแต่สหามันนี่ไม่ใช่นะบางทีคําสั่งเนี่ยน่าจะไม่ถึงเขาวนะ่ะแต่เขาก็เผื่อไว้ก่อ น, น บ, บนนัานน บ, บีน่าจะสั่งฉันนะ่ะฉันทําฮุบานูนซ์วิ่งไปหาท่านนบีอันนี้เนี่ยคําสั่งจาก ha, าบบบบอกัลลอฮ์ไหมหรือแค่เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านนบีนบีบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ไ ม, ไ, ไม่ได้เป็นว่าอายุไม่ด้เป็นบัญชาจากอัลลอฮ์เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยข้าพเจ้าเสนออย่าให้เราได้พักที่นี่ที่นี่ไม่มีน้ําเราน่าจะไปพักที่บัดที่บ่อน้ําของบัดจะได้ครองแหล่งน้ําและถ้าศัตรูของเรานี่มาเนี่ยเขาจะไม่มีน้ําเออเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ของคนที่มีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วก็มีความรู้ในภูมิศาสตร์ นบี็เลยรสั่งให้กองทัพเนี่ยเดินทางต่อไปถึงบิร์ของบั <c oughs> ทุกวันนี้เนี่ยบ่อน้านี้ก็ยังอยู่นะในพื้นที่ดังนั้นนะ่ะแต่มันห่างไกลจากมัการน์นิประมาณสามร้อยกิโลแล้วก็มันไม่ได้มีความประเริษฐใดๆที่เราจะต้องไปเยี่ยมไปเยือนสถานที่ แห่งนั้นฉะนั้นเวลาคนนี้ไปทำอุมรอไปทำฮัทเนี่ยไม่ได้มีวาระสำหรับแท้หนิที่จะต้องพาไปแต่ช่วงหลังนี่มันกลายเป็นมันกลายเป็นทัวร์แล้ว ล, ะละ่ะทุกที่เล ย, ยต้นไม้ที่เขาไปบายานาบีนี่ก็ ถูกตักไปแล้วตั้งแต่สมัยหองครับต้องมีก็อเปิลโลงวันนี้นี่ต้นไม้ที่เขาบัญญัติน่นี่มาตรงนี้เนีมาละมากันเฮกันมาละมาโดยเฉพาะพี่น้องอินโดนี โ, นโอจะชอบไปเดียรอบพวกนี้สถานที่สองคำบาร์ดอะไรนี่ไปกั น, นยอมลงทุนจ่ายเพิ่มนี่ขอให้ไปขอให้ไปดูแล้วกันอิมพีเซี่บอกว่าแสดงว่าเรงงานที่มีกระแสมากกว่านี่ว่านาบีลซอร์บ้านเนี่ยเขาไปพักอยู่รอบรบ แหล่งน้ำแล้วกะเรงงานนี่ก็บอกว่าไม่มีน้ำที่จะอาบน้ำจะนะบะอิปติกซีรไม่กล้าที่จะบอกว่าเรงงานนี่เป็นเรงงานต่อยแต่เป็นกระแสเพียงกระแสเดียวเป็นเรงงานเดียวแต่กระแสเรงงานส่วนมากที่เรงงานเหตุการณ์ของบัตนีนะจะไม่เรงงานเรื่องนี้ที่เรงงานเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้อง ว่าสระบาสนี่ไม่มีน้ําจนกระทั่งเป็นยานาบะแล้วก็ไม่มีน้ำอาบน้ํายะนาบะพอฝนตกเขาก็เลยเก็บน้ํามาอาบน้ํายะนาบะแต่มันก็เป็นไปได้มีความเป็นไปได้ว่าที่ไปอยู่รอบบ่อน้ําเนี่ยก็่อที่จะวิทน้ําจากบ่อน้ำเนี่ยพอที่จะดื่มแต่น้ํามันไม่เพียงพอที่จะให้ล้างตัวอาบน้ํากันทั้งกองทัพอะสามร้กวคนน่ะ มันอาจจะไม่พอขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็วิจเฉพาะที่จะมากินมาอะไรเงี้ยเพียงพอแต่พอาพอจะมีเจนาบ้าล้วนี่ไม่มีจะอาบน้ํามันน้ํามันน้อยอย่างก็เป็นไปได้ฉะนั้นอิบนิกาซี่ยวก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเหมนที่บอกว่ากระแสะส่วนมากนี่บอกว่าเอาซอฮาบ้านนี่เขาเข้าไปครองแหล่งน้ําอยู่แล้ว อันนี้ที่มีกระแสะที่มีน้ำหนักมากกว่าแกพูดแค่แค่นี้ไม่กล้าที่จ ะ, ะตัดสินอีกสายเรื่องงานหนึ่งว่าเป็นว่าเป็นะดีตอิฟแต่อย่างใดและในกุตัานในสำนองคุรัานก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอาบน้ำาจนาบานะแต่พูดถึงเรื่องชำระพวกเจ้าลิวตอฮิรอคุบบิฮีอัลลอ์ให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ชำระด้วยน้านั้น ซึ่งการชำระไในนับที่ก็ไม่ไดีไม่ไ ด, ไมได้หมายรวมจําเป็นนะนะว่าจะหมายรวมว่าชำรนะนยาซ่าหรืฮัดัสใหญ่ชำระนี่ก็อาจจะหมายถึงว่าชำระชำระความสงสัยชำระความความแข็งใจว่าเ อ, อเราเป็นทหารองค์ลอร์องค์ลอร์ะอะจะไม่ช่วยเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ชำระตรงเนี้ฉะนั้นก็มี ประโยคที uh um kay, ่ตามมาโวยวูดส <ged> ิบ <pos> ังคุมืที่จิเชัยตอนและจะให้ความโสมมของเชตตอนเนี่ยความโสมมของเชตตอนเนี่ยให้มันหมดไปจากพวกเจ้าว่าเลียรบิตอ่าและกูลูบิกุมและเพื่อจะส่งผูกหัวใจของพวกเจ้าอันนี้เป็นสำนวนในภาษาอังแต่ละภาษานี้ก็จะมีสำนวน เล่าถึงเนื้อหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นทําให้หัวใจมั่นคงอย่างเนี้ยถ้าในภาษาไทยเนี่ยให้กําลังใจให้หัวใจหนักแน่นใช่ไหมแต่ไม่มีในภาษาไทยนี่ถ้าอยากจะบอกว่าอาจะให้หัวใจหนักแน่นเนี่ยจะได้ผูกหัวใจถ้ามาพูดกับคนไทยจะได้ผูกหัวใจท่านอะไรผูกหัวใจอะไ มันเป็นสำนวนของภาษารับแต่พอเขามาแปลแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบริบทงไงเนี่ยข้อจำกัดของคำแปลสั้นๆนะนะก็คือ เ, เรื่องนี้แหละแปลแล้วเนี่ยก็อาจจะมีงงบ้างนะวลริยะรุิตาและกุลูปิคมเขาก็แปลตามตามคำเลยนะเพื่อเพื่อจะทรง ผูห้หัวใจของพวกเจ้าข้างล่างเนี่เขาอธิบายคือหมาย่าให้หัวใจเนี่ยหนักแน่นให้มีความมั่นคงไม่ไม่วันไหวว่าอยูส่ส บ, บิตบีลอัคดามันนี่ก็เช่นเดียวกันว่าอยูส่ส บ, บิตบีลอัคดามและส่งให้เท้ามั่นคงด้วยน้ํานั้นอันนี้คาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งให้เท้ามั่นคงอยู่ส บ, บิตาบีลอัคดามให้เท้านี่มั่นคงมันก็เป็นสํานวน ในภาษาหรับชัดกว่าภาษาไทยเท้ามั่นคงนี่หมายถึงว่าเวลาเรายืนยืนตรงยืนแน่นเนี่ยไม่ไม่วันไม่ไม่ไม่สเทือนไม่ไม่โยกแยกอย่างเงี้ยอ่านั่นสดงคนนั้นคนนั้นแน่นนะแต่จะรู้ยังไงวะน่ะเท้ า, นะทาเขาเนี่ยทเท้านี่เขาแข็งเขาแน่นนฉะนั้นในสำนวนภาษารับนี่อยู่เซ บ, บิตบีลหลกักๆคือให้เท้าเนี่ยแน่นมั่นคงแต่นี้ ทำนองนี้ทั้งหมดนี่นะมันเกี่ยวกับเรื่องการให้น้ําลงจากฟากฟ้าคําว่าบีฮีเนี่ยเป็นสรรพนามบีด้วยด้วยมันฮีฮีนี่เป็นสรรพนามกลับถึงอะไรอะ่ะเขาก็เลยแปลว่าด้วยน้ํานั้นน้ําที่ลงมาจากฟากฟ้าแต่น้ําลงมาจากฟากฟ้านี่มันจะทําให้ดินลื่นน่ะ แล้วเท้านี่มันจะมั่นคงเหรอมันไม่ใช่หมายรวมว่าเท้านี่จะมั่นจะมั่นหมายถึงว่าถ้าฝนตกอย่างนี้แล้วมันแฉ่งเงี้ยแล้วเวลาสู้รบกันน่ะนักรบเนี่ยเวลาเขาสู้เนี่ยก็จะสู้ด้วยเท้านี่มันแน่นบ้ไมมมันลื่นแต่ตรงนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าความ ความหนักแน่นความมั่นคงของเท้าที่ที่เป็นรูปธรรมอันนะไม่ใช่หมายรวมว่ากําลังใจที่อัลลอฮ์ให้มานี่ทั้งหมดเนี่ยโดยการที่ให้ง่วงให้งิบลงให้มีน้ําลงมาจากฟากฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นกําลังใจที่อัลลอฮ์ส่งมาพวกเจ้านี่จะได้มีหัวใจที่หนักแน่นและอะไรอะ่ะแล้วก็มีความมั่นคงในการต่อสู้ไม่ใช่หมายถึงว่าเท้าแน่นจริงๆอ่ะนะ ก็แน่นอนในสงครามอะถ้ามันจะมีอุปสรรคอะไรเนี่ยเช่นที่พื้นมันลื่นหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมีสะดุดบ้างก่ะจะเป็นอะแต่ความความมั่นคงตรงนี้เนี่ยเชิงน้ำมาทํามากกว่านะครับไม่ใช่หมายถึงว่าด้วยเท้าจะจะมั่นคงด้วยน้ํำนะแต่หมายถึงว่าด้วยการให้กําลังใจสารพัดเถียงเราให้มาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นน้ําจากฟากฟ้าหรือการให้งิบลงคง ซอฮาบะอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแ่แค่นี้นะครับสลัลลอฮุอาลนบีนามุฮัมมัดอาลอาลีสิุสซลสาลามุอะลัยุราห์มุตุลลอฮิรักะฮอลาติอมเองเขพูดว่าอัลลอฮช่วยเหลือและถ้าอลาติเองเจะพูดการอก็าพูดเหมือนกันไงอัลลอฮ์มุสตานแต่ถ้าคนคนทัวไปเนี่ยประโยคนี้ เขาจะไม่ใช่จะใช้อย่างอื่นนะใช้ใช้แ ช, ช่คำพูดแบบสามัญหน่อยผมพูดแต่ น, นี่มันเป็นคคเป็นประโยคที่ภาษามันสูงหน่อยเป็นภาษาเป็นภาษาอยู่ในคุรุอ่านในฮาดีสแต่ถ้าคนใช้นี่ก็แสดงว่าคนมีความรู้พิเศษพิเศษหน่อย